ได้นะถ้าอยากจะถามยากถามว่าทํำยังไงเราถึงจะดูว่าการที่เราปฏิบัติทำแล้วจเจริญไปแค่ไหนก็ดูที่ความสงบใจเราสงบมากน้อยเพียงไรความโล้ความโกรธความหลงน้อยลงไปมากน้อยเพียงไลรลดความอยากของมันลดกิเลสตัณหา สำมรความโกรธความหลงความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขถ้าปฏิบัติดีแล้วมันจะไม่ไม่ไมลบมากเรื่องลาบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรื่องยศก็เหมือนกันเรื่องสรรเสริญความสุขทางตาหงจมูกนินกายเาะ็จะได้ความสุข จากการปฏิบัติทดแทนคือความสงบถ้าจิตเราสงบรลางเราจะมีความสุขใจอิ่มใจพอใจเลยทำให้เราไม่หิวกับลาบยศสรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถือศีลแปได้จากศีลห้าก็ถือศีลแปดได้ถือศีลแปดนี่ก็ถือว่าเรา มีความสงบมีความสุขทางใจไม่ต้องอาศัยความสุขทางตาหงจมูกมือกายในพนเราจะมีความสุขได้ต้องนั่งสมาธิได้ต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่คิดอะไรแล้วใจจะเย็นจะสงบพอสงบแล้วเราก็นั่งเฉยๆไม่ต้องดูลม ใจไม่คิดอะไรแล้วใจสบายใจก็อยู่เฉยๆได้มีความสุขได้ก็ไม่ต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่นี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราปฏิบัติทำตอนต้นเราก็ต้องบังคับเพราะใจเรามันไม่ชอบนิ่ง ชอบไปหาลาบยศสารเสรินชอบไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างวันนี้เราวันพระเราก็บังคับใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมาถือศีลแปดศีลแปก็จะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ แต่ไม่ต้องรับประทานตามความอยากรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วหลังจากที่งวันไปแล้วก็ไม่ด้งรับประทานมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่า mm hmm. เช่นเดียวกับการไปดูมหรสรบันเทิงต่างๆหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือการร่วมหลับนอนกับคู่ครอง ความสุขเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่ได้เพราะความสุขจากการนั่งสมาธินี้มันไม่มีตัวแปร mm hmm. มีตัวเราแบวความสามารถของเราที่จะหยุดความคิดของเรา mm hmm. ส่วนความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรส ซึ่งบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีก็ไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเพราะเราจะมีความสุขจากการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุข อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเวไม่ต้องพึ่งใครมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้เรามีความสุขกับการนั่งสมาธิอาจะนั่งสมาธิให้สงบได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับควบคุมความคิด คามคิดของเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขามันจะวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดมันจะคิดไปเรื่อยๆความคิดของเราถ้าเราไม่เหยียบเบรกนี่มันจะไม่หยุดใจเราก็คิดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติก็เหมือนกับไม่มีเบรกถ้ามีสติเราก็จะเบรกความคิดได้เช่น พอเราดูใจเราพอเห็นว่าคิดถ้าเรามีสติก็หยุดได้แต่ถ้าไม่มีสติก็หยุดไม่ได้ถ้ายังหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติวิธีสร้างสติก็ให้เรานราเลือกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นเราเอกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือสวดมนต์ไปอันนี้ก็จะยับยั้งความคิดได้แต่ยังไม่หยุดความคิดเต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดมันจะหมดแรงแล้วจิตก็จะนิ่งแล้วคําบริีกรรมหรือการสวดมนต์ก็หยุดไปได้นี่คือสติเราต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดนะความคิดที่จำเป็นต้องคิดก็คิดได้นะคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องทำอะไรที่เราต้องทำแต่ไม่คิดเพ่อเจอ้อเพ้อฝันคิดไปต่างๆนานาคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธ ถ้าไม่มีถ้าหยุดมันไม่ได้ด้วยสติคือสั่งให้มันหยุดมันไม่หยุดก็ต้องก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันคือส่วนมนมันการสร้างสติอีกวิธีหนึ่งก็คือคอยดูคอยกํากับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเราทําอะไรก็ให้เรามีสติอยู่กับการทํางาน กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งก็ให้รู้ว่ากรากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งหรือเวลากำลังทำงานอะไรก็ให้รู้อยู่กับงานนั้นอย่าให้ไปรู้กับอย่างอื่นส่วนใหญ่เรามักจะทำงานไปแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าอยู่กับการทำงานก็ไม่ต้องคิดมาก เวลาทำงานบางทีก็ไม่ต้องคิดมากทำไปทากับข้าวก็ทำไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามดึงใจให้อยู่กับการทำงานของร่างกายพอเวลานั่งสมาธิเราก็จะดูลมหายใจเข้าออกได้เฝ้าดูเฉยๆลมดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลม ให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจผูกความคิดหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวถ้าอยู่กับลมได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเจติก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิก็ไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องเป็นไม่ยังไม่ต้องเจริญปัญญาปัญญาไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญในเวลานั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่เราจะอยู่กับความสงบให้มานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ใช้สติประครับประคองถ้าใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งให้คิดน ให้นิ่ให้รู้เฉยๆไปเดินกว่าจะไม่สามารถควบคุมความคิดได้ความคิดเริ่มถอนเริ่มคิดแล้วเริ่มลุกขึ้นมาไปทําอะไรตอนนั้นก็ใช้ความคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในในเรื่องที่เรากําลังมีความผูกพันอยู่ในสิ่งที่เราผูกพันอยู่ รักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราห่วงสิ่งที่เราห่วงกับิจารณาว่าเขาไม่เทีย่ยงเขาเกิดแล้วดับเขามาแล้วเดี๋ยวเขาไปรักยังไงห่วงยังไงห่วงยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับกลืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เช่นร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองร่างกายของคู่ครองของเราร่างกายของลูกเราร่างกายของบิดามารดาร่างกายของญาติสนิทมิตรสหาย<บ>เป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นทำมาจากดินน้ำลมไฟเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมเพราะเรามักจะลืมกันพอเราไม่คิดปับ๊บเราก็คิดว่าเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วพอเขาแก่เราก็ตกใจเวลาเขาเจ็บเราก็ตกใจเวลาเขาตายเราก็ตกใจเพราะเราคาดคาดไม่ถึงว่าเขาจะตายแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเราก็คาดคาดว่าเขาต้องตายแนะ่ เียงแต่ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เห็นครับว่าถามตัวเองว่าเมื่อไหร่มันจะตายเพรามันต้องตายแน่ๆไอ้ที่ไม่แน่ก็คือเมื่อไหร่เท่านั้นเองตายวันนี้หรือตายพรุ่งนี้ตาเดือนหน้าหรือปีหน้าหรือสิบปีข้างหน้าแต่ที่แน่นอนก็คือเขาต้องตายแน่นอนเช่นเดียวกับร่างกายของเราก็ต้องตายเหมือนกัน ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายของร่างกายได้เวลาร่างกายจะตายก็จะไม่ทุกข์จะไม่ตื่นเต้นตกใจไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายก็ไม่เป็นไรหมอเราเตรียมตัวตายมานานแล้วแต่ตอนนี้ให้หมอยืนยันอีกทีนว่าจะได้ทำหมรอระดับทำพินายกรรม ไ, ได้ไปอยู่วัดได้แล้วพอเราเพอ ร, รู้จะตายนี่คิดถึงวัดขึ้นมาทันทีเวลเา ย, ยังไม่ตายนี่ไม่ยอมเข้าวัดกั น, น <c oughs> ยังอยากจะใช้ร่างกายพาไปเที่ยวนู่นพาไปดูไปฟังไปเล่นไปทําอะไรกั น, น <c oughs> แต่พอ ร, รู้ว่าร่างกายนี้จะหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้นะทีนี้อยากจะเข้าวัดแลว <c oughs> <c oughs> อยากจะไปทําใจให้สงบแล้ว นี่มันอาจจะสายเกินไปเพราะว่าการจะทําใจใสงบนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายๆควรจะหัดทําเสื้อตั้งแต่บัดนี้ไปจะดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาวันพระทั้งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเอาวันพระมาเข้าวัดกันมาหัดทาใจให้สงบกันมาหัดปล่อยวางร่างกายกันถ้าเรามาทํากันเรื่อยๆเราก็ จะทําเป็นเมื่อทาเป็นแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เรารู้ว่าเราร่างกายนี้จะต้องตายเพราะเรารู้ตั้งแต่บัต น, นี้ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่บัต น, นี้ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ลวงพ้นการพัดท่าแก่การไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ทุกวันทุกเวลาได้ยิ่งดี พระพุทธเจ้าถามพระอานุนว่าอานนุนแอ้วเลิกถึงความตายวันละสักกี่ครั้งอานุ์ก็บอกว่าประมาณสักสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นอก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกอ น, นันเธอยังประมาทอยู่เพราะว่าเราเลิกเพียงแค่นี้เธอยังหลงลืมได้ยังลืมว่าเธอจะตายได้วิธีที่จะทําทให้เธอไม่ลืมว่าเธอจะตายก็ ให้รเลิกทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้รเลึกอย่างนี้ถ้ามันจะไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องระลึกแล้วตอนต้นเราชอบลืมกันก็หัดระลึกกันอยู่เรื่อยแล้วพอเราปงได้แล้วยอมรับความตายได้แล้วเราก็ไม่ต้องระลึกก็ได้เพอ เวลามันจะตายมันก็จะระลึกได้มันจะทำใจได้พอเราพอเราปล่งได้แล้วมันจะไม่ลืมมันจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายมันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้ครอบครองร่างกายนี้เราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ เราทิ้งร่างกายอันเก่ามาในชาติในชาติก่อนเพราะร่างกายอันเก่ามันตายไปแต่ตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เราเลยมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนเจอพระอริยสงสาก ที่สอนให้เราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมันเป็นความทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำตามที่เราต้องการได้ให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่ามาถือศีลแปดเน 8, มานั่งสมาธิเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้ตาหูจมูกนิ้นกายใช้สติแทนใช้ปัญญาแทน ใช้สติทำใจให้สงบใช้ปัญญาหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายในการหาความสุขต่อไปเราก็จะตัดความอยากมีร่างกายได้พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใจยังมีความสงบได้ เวลาทำใจให้สงบนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราให้ร่างกายพักผ่อนเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายนะเราใช้แต่สติใช้แต่ปัญญาใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดพอหยุดความคิดใจก็สงบมีความสุขพอจากความสงบมาพอใจอยากจะใช้ร่างกาย ไปหาความสุขก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าใช้ใช้แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วร่างกายนี้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวถึงเวลาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ก็จะทุกข์นี่คือปัญญาที่จะทำให้เราเลิกใช้ร่างกายแล้วให้เรากลับมาใช้สติใช้ความสงบแทนหาความสงบเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ต่อไปเราก็เลิกไม่ต้องใช้ร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายของคนอื่นแล้วเราอยู่คนเดียวได้เรามีความสงบ <veck> เป็นที่พึ่งเป็นความเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งทั้งปวงเพราะเป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่เรา สามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดแต่ความสุขอย่างาที่พึ่งอย่างอื่นเราบางบางทีรักษาก็ได้บางทีก็รักษาไม่ได้เป็นลาบยศฉลเสริญลูกเสียงกิน่นรสร่างกายบางทีเราก็รักษาได้บางทีเราก็รักษาไม่ได้บางทีเราก็พึ่งไม่ได้พอพึ่งไม่ได้เราก็ทกกันนี่แหละคือ สิ่งที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะมัวแต่หาความสุขจากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกมิ้นกายไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาลาภยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับเราแต่พอเราเสียลาภยศสรรเสริญไป เดี๋ยวความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปความสุขก็หายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ใจดังนั้นขอให้เรารีบมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเลือกใช้คนนั้นคนนี้เป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเลือกใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราอันมาใช้สติ เพื่อทาใจให้สงบเพื่อเราจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ทุกคนทําได้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นตรงไหนให้คิดแต่คำว่าพุโทโธคำเดียวนี่มันยากตรงไหน <c oughs> เด็กอนุบาลยังกองไก่ขอไข่ได้เลยแล้วเพียงแต่เราเลืกคำว่าพุโทโธคำเดียวทไมมันเราเลือกไม่ได้ เด็กยังเก่งผู้ใหญ่เด็กนี่ให้ท่องกอไก่ขอไข่นี่ก็ท่องได้ถ้าสอนเด็กให้ท่องพุโทโธตั้งแต่เด็กมันก็สบายแล้วเนี่ยโตขึ้นก็จะได้พุโทโธกันเป็นทุกคนแต่ไปสอนกอไก่ขอไข่มันก็เลยได้กอไก่ขอไข่ไปได้อ่านออกเข็นได้ไปแต่หยุดความคิดไม่ได้ถ้าสอนเด็กอนุบาลให้หัดท่องพุโทโธพุทโธไป อันนี้ให้นั่งสมาธิก็นั่งได้แล้วเนี่ยพออยู่ปหนึ่งนี่นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่นานจิตก็สงบจิตสงบแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่มารบกวนพ่อแม่ขอเงินทองไปซื้อเกมซื้อของเล่นซื้อของกินต่างๆพออยากจะมีความสุขก็พ่อแม่ก็บอกพุโทโธสิหนูนั่งพุโทโธพุโทโธพุทโธไปพอพุโทโธพุโทโธเป็นแล้วก็จะไม่มาลบกวนพ่อแม่ จะมีความสุขพ่อแม่ก็เลยสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาอซื้ออะไรต่างๆที่ลูกอยากได้หาข้าวหาอาหาร ห, หาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรค ก, ก็ยังไม่พอยังต้องหาโรงเรียนให้มีนหาเรียนเสร็จแล้วยังไม่พอต้องหาที่เที่ยวอีกต้องพาไปเที่ยวอีกต้องซื้อของเล่นให้เล่นอีก เพราะไม่มีพุดโธเพราะไม่มีพุดโธมันก็เลยหิวมันก็เลยอยากอยากได้ลูกเสียงกลิ่นนวดอยากได้อะไรต่างๆถ้าสอนลูกให้พุดโธเป็นตั้งแต่อยู่อนุบาลนี้ลูกจะไม่มารบกวนพ่อแม่เพราะลูกจะมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กท่านก็นั่งสมาธิได้การนั่งสมาธินี่สามารถทําได้ทุกคนเพราะจิตนี่มันไม่ได้เป็นเด็ก จิตนี่มันเป็นผู้ใหญ่จิตล้วนี่มันมีอายุไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วจิตเราไม่เคยตายจิตเราเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆจิตของพระเจ้านี้เคยมีสมาธิอยู่แล้วพอวันหนึ่งท่านอยู่ตามลำพังไม่มีใครหอมล้อมจิตของท่านก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาท่านได้พบกับความสุขที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน อาศัยที่ท่านเคยมีสติเคยนั่งสมาธิในในอดีตชาติพออยู่ในที่สงบไม่มีใครบครบกวนไม่มีใครห้อมล้อมจิตก็เลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งภายนอกจิตก็เลยเข้าข้างในจิตก็เลยเข้าสู่ความสงบถ้าสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลให้เด็กทุกคนพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อาใบเล็กก็จะพุโทโธเป็นพุโทโธเป็นเวลานั่งแล้วเขามีความสุขรับรองได้เขาจะไม่มารบกวนพ่อแม่เ้าจะไม่ขอนูน่นขอนี่ม่แต่พ่อแม่จะวิตกเอ๊ะทำไมลูกเราไม่ต้องการอะไรเลยถึงเวลากินก็ไม่อยากจะกินเพราะมันอิ่มใจไม่หิวใจไม่หิวดังนั้นขอให้เรามาสร้างสติกันด้วยการระลึก ถึงพระพุทธเจ้ากันพุทโธพุทโธกันเราสามารถพุทโธได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอเลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยพุทโธไปเข้าห้องน้ำก็พุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปเอาพุทโธกากับใจ จะหยุดคิดก็จ ะ, จะหยุดพุดโทโธก็ตามเมื่อต้องคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทําอะไรมีธุระที่ไหนพอรู้เสร็จก็เตรียมตัวไประหว่างเตรียมตัวก็พุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจจะเย็นใจจะสบายแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตากันแล้วก็พุโทโธกันไปเรื่ดูลมหายใจไป <ขอ S 1> ไม่ใช่ ก็ฟังภาษาธรรมะไม่เป็นยังไม่มีใครก็ <ine> สอนธรรมะมันฟังมีแต่ถามว่าพิซซ่าอยู่ที่ไหนรู้ร้านพิซซ่าอยู่ตรงไหนมันตอบอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้วันนี้วันอะไรรู้ เราพูดเรื่องพุทโธพุทธโธนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ยหละคยของดีๆที่เราไม่รู้กันเพชรที่แท้จริงก็คือพุทโธนี่เพชรปลอมก็คือราบยศสรรเสริญเงินทองกองเท่าภูเขานี่ถือว่าเป็นเพชรปลอมซื้อก็ซื้อหินซื้อเพชรนี่ก็เป็นหินดีๆนี่ แต่แพทย์แท้นี่คือพุทโธเพราะว่าเป็นความสงบทำใจให้สงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่พระ ม, มหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะเข้าเอื้อมมือถึงได้จากการเป็นเศรษฐีหรือจากการเป็นมหากษัตริย์จะเข้าถึงได้ต้องต้องไปบวช อย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยสมัยพุทธกาลไปบวชหลังจากบวชก็พุทโธหัดพุทโธหัดใช้สติหัดใช้ปัญญาจนจิตสงบตัดความอยากต่างๆได้ก็มีแต่ความสุขก็อดที่จะอุทานไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนมาไหนก็บ่นว่าสุขหนอสุขหนอะพระเนรก็คิดว่าไม่มีสติ เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาสอบถามว่าทำไมท่านบ่นสุขหนอสุขหน อ, หนอก็บอกว่าสมัยที่ผมเป็นเศรษฐีตอนที่ผมไม่ได้บวชนี่ผมสามารถซื้ออะไรได้อย่างทุกอย่างที่ผมต้องการแต่ผมไม่เคยสามารถซื้อความสุขแบบที่ผมได้ตอนนี้เลยผมเลยเลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่ามันสุขหนอมันสุขหนอ องคเจ้าบอกว่าถ้าอุทานแบบนี้ไม่เป็นไรไ ม, ไม่ได้ไม่มีสติเป็นเรื่องของความปิติเรื่องของความสุขเรื่องของความทราบซึ้งในพร ะ, ะธรรมที่ได้ที่ได้เข้าถึงนี่แหละทำทำมังสรนังกระฉามนี่เชพชรแท้จริงรัตนะที่แท้จริงธรรมรัตนะ ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือทาสติธรรมปัญญาธรรมเมา่มีสติธรรมมีปัญญาธรรมแล้วจะมีความสงบจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรจะซื้อได้เราให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ซื้อความสุขอันนี้ไม่ได้ ต่ให้เป็นมหาจากักรพรรดิก็ซื้อความสุขอันนี้ไม่ได้นี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปเป็นมหาจากักรพรรดิตอนที่ทรงประสูตินี่ก็ได้เจ็ดวันเ่อพระราชาพระพระราชบิดาก็เรียกโหราจารมาดูดวงโหราจาร์ก็บอกว่าเนี่ยมีมีความสามารถจะเป็นได้สองอย่างเป็นบรมศาสดา เรีอว่าเป็นมหาจากักรพรรดิแต่มีโหราจารย์อยู่รูปหนึ่งบอกว่าต้องเป็นบรมศ า, ศาสดาเพียงอย่างเดียวอแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านทํานายไว้เพราะพุทธเจ้าฉลาดพิจารณาการเป็นมหาจากักรพรรดิกับการเป็นบรมศาสดานี่ผลที่ได้รับมันต่างกันฟ้ากับดินเป็นมหาจากักรพรรดิก็ยังต้องไปทําสงครามไปเ ข, นข็นฆ่ากัน แม้ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอ้อไปฆ่าคนไปทําร้ายผู้อื่นก็ต้องมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ไปเป็นมะว่าลมาศาสดาไปเป็นสัมมณะผู้มีความสงบนี่จิตสงบจิตปลอดจากความหวาดระแวงทั้งปวงจิตสบายไม่กังวลกับใครไม่หวาดระแวงกับเรื่องอะไร พ่าไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปทําให้ใครโกรธแค้นโกรธเครื่องไม่มีใครจะมาคิดทำร้ายเราพระพุทธเจ้าเลยเลือกไปทางอเป็นบรลมศาจด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาพ่อทรงเห็นว่าเป็นมหาจักรพรรดิเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วความยิ่งใหญ่ของมหาจักรพรรดิก็หายไปศูนย์ไป เรายังต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเ้าให้เป็นหาจักรพัฒน์ก็ยังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ไปเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องทุกข์พระุทธเจ้านี้ไม uh ่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพระพุทธเจ้าเลิกใช้ร่างกายเลิกอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งเหลังจากเราไม่ต้องพึ่ง เวลาเราไม่ต้องพึ่งคนคนใดคนหนึ่งเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งเขาอยู่นี่เราจะเดือดร้อนเช่นเราพึ่งคนใช้เงี้ยพอคนรับใช้บอกจะขอลากลับบ้านแค่นี้เราก็เดือดร้อนนะเพราะเราต้องทำเองแต่ถ้าเราไม่ต้องพึ่งเขาเรามเาีเราทำเองได้เราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นขอให้เราเลิกพึ่งสิ่งต่างๆดีกว่า ให้มาพึ่งตัวเราเองอัตตาหิตอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งของตนก็คือธรรมังสารนังกระฉามิสร้างธรรมะขึ้นมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาวันพระนี่เรามาก็มาสร้างศีลสมาธิปัญญากันต้องมีศีลถึงยำมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้เพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปกินเลี้ยงได้ เดี๋ยวเราก็ไปดูหนังไปฟังเพลงได้ไปไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้เราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะทำใจให้สงบได้ไม่สามารถพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้แต่ถ้าเรารักษาศีลแปดเราจะมีเวลา เพราะเราจะไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ห้ามหมดห้ามเที่ยวห้ามเล่นห้ามกินห้ามดื่มนอกจากก่อนเที่ยงวันก็กินกับดื่มได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าไปร่างกายต้องการแค่น้ําเปล่าๆแล้วต้องต้องเป็นน้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ําแข็งน้ําแข็งก็ดื่มไม่ได้น้ําแข็งก็ต้องรอให้มันละลายก่อน นี่แหละ ว, วันพระเป็นวันที่เรามาหยุดใช้ร่างกายหาความสุขกันแล้วมาใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเราหัดทำไปเราก็จะทาได้ของพวกนี้เหมือนกับหัดขับรถยนต์ เ, เราไม่ได้เกิดมาแล้วขับรถยนต์เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากขับเราไปเรียนเดียวเดียวเดียวก็เราก็ขับได้นะ สมัยก่อนนี้ไม่ผู้หญิงขับรถไม่เป็นกันนะสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี่มีแต่ผู้ชายขับไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าขับรถกันสักคันแต่ตอนหลังเริ่มเริ่มเห็นว่าผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ต้องขับได้ผู้หญิงก็เลยหัดขับกันอย่างนี้ผู้หญิงขับเก่งกว่าผู้ชายเอนี่ยเหมือนกันเนี่ยพวกเราตอนนี้อ่ารักษาศีลแปลดไม่ได้นั่งสมาธิไม่เป็นเอ จะไม่รู้ว่าปัญญาเป็นอะไรถ้าเรามาศึกษามาหัดมาเรียนกันวันพระมาเข้าวัดกันมาเรียนมารักษาศิ่งแปกันสิ่งแปดมีอะไรบ้างรู้เปล่านอกจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่พูดปวดเดือมชวรายามาศิลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นจากกาเมมาเป็นอบ ร, รมจจลียะ มีแปลว่าการร่วมหลับนอนกับคู่ครองแต่อ布拉玛查ริยาก็คือการระงับวัร่วมหลับนอนกับคู่ครองหรือกับใครทั้งนั้นไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วข้อหก็ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วข้อเจ็ดก็งดพ ว, วกมอหอรสศพบันเทิงการท่องเที่ยวต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัว แต่หน้าทาปากทำผ้าวทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆอาบน้ำอาบน้ำให้ร่างกายสะอาดก็พอละหวีผ้าวหวีผมไม่ต้องทาแป้งไม่ต้องทาปากไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วนอนก็อย่านอนสบายเกินไปหัดนอนมนพื้นแข็งๆนอนพื้นไม้นอนกับพื้นปูเสือ่อ มันจะนอนไม่มากไม่ใช่อะไรหรอกนั่งกายเวลามันเหนื่อยมันนอนที่ไหนก็นอนได้พล้วแล้วพอมันหายเหนื่อยมันตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อถ้านอนบนไม้แข็งบนพื้นแข็งมันก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่ามานอนแต่ถ้านอนมันพู่งหนาหนานอนบนเตียงใหญ่ๆนอนแบบสบาย ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะลุกนอนต่อเวลาจะมานั่งสมาธิก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องห้ามการกระทาเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีเวลามาเจริญสติมาพุทโธพุทโธกันมานั่งสมาธิกันแล้วมาหัดใช้ปัญญากันใช้ปัญญาให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังพึ่งอาศัยให้ความสุขกับลรงนี้มันไม่เที่ยง รั้งวันหนึ่งมันจะต้องพึ่งไม่ได้ถ้าเราไปพึ่งมันเดี๋ยวเวลาพึ่งไม่ได้เราจะทุกข์มากเราเลิอกอย่าไปพึ่งมันอย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปดูหนังฟังเพลงอ ย, อย่าไปเสบรูปเสียงกีนร์รอย่าไปทำอะไรต่างๆด้วยร่างกายเพราะร่างกายต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนนั้นจะไม่สามารถหาความสุขได้ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นเราหยุดความอยากใช้ร่างกายได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราสามารถอยู่เฉยๆตามลมพังได้ร่างกายจะเจ็บก็ยังมีความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ยังสามารถทําใจให้สงบให้มีความสุขได้เวลาจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณแล้วเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเมื่อไม่เกิดก็สบายไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดพากากกันพวกเรานี่ต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากะกันต้องร้องห่มร้องไห้กัน แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบอยู่คนเดียวได้ไม่พึ่งสิ่งต่างๆไม่พึ่งร่างกายของเราหรือพึ่งร่างกายของคนอื่นก็ต้องจากกันก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดนี่คือวิธีดูว่าเราเจริญหรือไม่เจริญในการปฏิบัติก็ดูว่าเราพึ่งเราเลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้มากน้อยเพียงไร เราเลิกพึ่งลาบยศสรรเสริญเลิกพึ่งรูปเสียงกลิ่นลดได้มากน้อยเพียงไรถือศีลแปลดได้มากน้อยเพียงไรถือได้ทุกวันหรือเปล่าหรือถือได้เพียงบางวันบางวันยังถือไม่ได้อันนี้มันจะเป็นตัวบอกความเจริญก่อนที่มีความเจริญทางจิตใจมีความสุขทางจิตใจไม่ต้องพึ่งอะไร ไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรถอยู่เฉยๆก็มีความสุขอยู่คนเดียวมีความส AH. <DC LS> <ๆ>ุขมากกว่าอยู่กับคนอื่นก็อยู่กับคนอื่นเดี๋ยวก็ลำคาญเดี๋ยวก็พูดจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่ต้องไปทะเลาะกับใคร นี่คือสิ่งที่เราควรจะกระทำกันนานๆเราจะได้มันเจอคนที่รู้เรื่องของความสุขที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราก็จะหาความสุขแบบทางร่างกายกันหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสกันแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่ราบยศสรรเสริญเสื่อมจากเราไป เห็นไหมคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวอตกอับเน้องห่มน้องไห้เศร้าโศกเสียใจเอคนที่สูญเสียคนที่เขารักไปเอน้องห่มน้องไห้เพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะเสียเขาคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดถ้าจะตายก็ตายพร้อมกันคิดอย่างนั้นออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่มีใครรู้ใครจะตายก่อนตายหลังใครจะไปก่อนตายหลัง mm hmm. เพราะเราไม่เคยคิดกันเราก็ไม่กล้าคิดกันเพระเราไม่รู้ว่าจะทําไงถ้าเกิดเราต้องอยู่คนเดียว mm hmm. ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่คนเดียวได้และดีกว่าอยู่กับหลายคนด้วยซ้ําไป mm hmm. พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์วิธีอยู่คนเดียวแล้วว่าอยู่อย่างไรอยู่แล้วมีความสุขมากกว่าอยู่กับหลายหลายคน มหัดอยู่คนเดียวกัยมหัดนั่งสมาธิหัดทำใจให้สงบแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นคนอื่นจะเป็นยังไงจะจะเป็นจะตายจะดีจะร้ายเราไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาดีเขาร้ายก็ไม่ได้ทาให้เราดีเรื่องร้ายไปกับเขาถ้าเราดีของเราต่อให้คนอื่นร้ายไปทั้งโลกเราก็ไม่ได้ละเราก็ไม่ได้ร้ายไปกับเขา เราก็ดีของเราอีกคนเดียวเยพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ดีอยู่คนเดียวคนอื่นร้ายกันไปหมดแต่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่ได้ร้ายไปกับใครเพราะพระพุทธเจ้านี่ไม่ทําบาตร้อยเปอร์เซ็นไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครคนคนอื่นจะทําก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ อยู่คนเดียวอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครจะเป็นใครจะตายใครจะดีใครจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาไปหมดไม่ได้มาทาให้เราดีเราชั่วตามเขาไปแ่ถ้าเรายังไม่ดีนี่พอเห็นคนอื่นเขาดีกับเราเราก็อิจฉาเขาละพอเราเห็นคนอื่นที่เขาไล่กับเราเราก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาพอเรายัง เอาตัวเราไปวัดกับเขาอยูอ่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปไปแข่งกับใครนี่คือโอกาสอันดีที่ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราก็จะไม่รู้จักทางทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีกว่าทางที่เรากำลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ ทางที่เราเดินอยู่นี้จะต้องเจอความทุกข์กันเพราะมันเป็นทางที่เริ่มด้วยความสุขและจบด้วยความทุกข์กันแต่ทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่เริ่มด้วยความทุกข์เพราะเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนการหาความสุขเวลาเปลี่ยนนี่มันทุกข์เวลามาถือศีลแปนี่ทุกข์กันไม่มีใครอยากจะถือศีลแปดกันเพราะถือศีลแปดแล้วกินข้าวเย็นไม่ได้นะ เดิมสุราไม่ได้กินเลี้ยงไม่ได้คืนนี้ถ้าเกิดมีงานแต่งงานก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปก็ทุกกันแต่เรายอมทุ ก, ทกเพื่อเพื่อเพื่อสุขในบ้านปลายดีกว่าทุกเพื่อเรามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบพอเราทําใจให้สงบแล้วทีนี้เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปจะสุขไปเรื่อยๆจนวันจนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเราไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการอันนี้แหละความสุขที่แท้จริงเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ที่เขาจบด้วยการด้วยด้วยด้วยกับความสุขของพระเอกกับนางเอกแต่อันนั้นมันเป็นความสุขปลอมเพราะยังมีภาคสองเดี๋ยวภาคสองตามมาพระเอกแก่นางเอกแก่ เดี๋ยวพระเอกตายนางเอกตายการกลายเป็นความทุกข์ไปแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็ บ, ไ ม, มจบไม่มีวันตายไม่มีวันหมดเนี่ยใจของพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังสุขเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าตายจากพวกเราไปเมื่อ 2,500 กว่าปีใจของท่านก็ยังสุขอยู่ตอนตอนนี้จใจของท่านก็ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในโลกทิพ เหมือนใจของเราก็อยู่ในโลกทิพย์แต่อยู่คนละชั้นกันเหมือนเหมือนคอนโดท่านอยู่บนชั้นสูงสุดพวกเราอยู่มันอยู่ชั้นต่าพวกเราอย่างอยู่ชั้นที่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่แต่พระเจ้าอยู่บนชั้นที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจมีแต่ความสุขเราต้องขยับจิตของเราให้ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดให้ได้ด้วยการมารักษาศีลมานั่งสมาธิ มาเจริญปัญญากันแล้วต่อไปเราก็จะขึ้นไปถึงชั้นที่พระพุทธเจ้าอยู่ได้ภาษาวกทั้งหลายเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็อยู่ชั้นล่างชั้นต่ำแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติตามได้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาจิตก็ขึ้นไปสู่ชั้นของพระพุทธเจ้าได้ป้าลันติาษามกนี่อยู่ชั้นเดียวกับพระพุทธเจ้า เมื่อก่อนก็อยู่ชั้นเดียวกับพวกเราอพอได้ยินได้ฟังทมแล้วเกิดศรัทธาก็เลยนําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติตามก็เหมือนเข้าไปเหมือนกับขึ้นลิฟต์กดกดปุ่มเอาชั้นสูงสุดลิฟต์มันก็จะพาขึ้นไปเลยศินสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนลิฟต์ที่จะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบนชั้นสูงสุดอขอให้พวกเรารีบ ตักตวงโอกาสนี้นานๆจะเจอลิฟอย่างนี้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีศาสนาไม่มีจะมีพระพุทธศาสนาอย่างนี้ทุกภพทุกชาตินศาสนานี้ก็มาหมดไปครึ่งทางแนละ้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเ <Yeah. S 1> หลืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีก็จะหายไปแล้ว <Yeah. S 1> ลิฟจะใช้ไม่ได้แล้วต่อไปต่อไปกลับมาเกิดอยากจะขึ้นไปชั้นสูงก็ต้องเดินเดินก็เดินไม่ไหวเพ <Yeah. S 1> ราะมันหลายร้อยชั้น ว่าจะถึงชั้นสูงสุดนีตอนนี้รีบรีบรีบใช้รีบกันเถอะรีบรักษาสีแปกันรีบรักษานั่งสมาธิกันรีบใช้ปัญญามองให้เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังยึดเอียงกำลังติดอยู่รูปเสียงกลิ่นรสราบรสสรเสริญร่างกายของเราของคนนั้นคนนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวมันจะต้องหมด อเวลามันหมดแล้วมันไม่มีอะไรให้เราพึ่งนะตอนนี้เรารีบขึ้นลีฟกันดีกว่าเข้าวัดวันพระกันมาหัดนะักสากศีลแปดกันมานั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนฟังเทศฟังธรรมสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงพึ่งมันอีกต่อไปเพราะถ้าไปพึ่งมันก็เหมือนกับไปพึ่งความทุกข์นั่นเอง อ๋อสร้างวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปหรือเราจะต้องจากมันไปพอเวลาเสื่อมหรือเวลาจะต้องพัดพากจากกาันเวลานั้นก็มีแต่การหลั่งน้ําตาเพียงอย่างเดียวตอนนี้เรามีโอกาสมีเวลาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเวลามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจะหมดนอายุมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอายุจะยาวแต่เวลาจะอยู่มันมันสั้นลงไปอายุมากขึ้นเอ อายุยาวขึ้นไปแต่เวลาที่เหลืออยู่มันน้อยลงไปน้องก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่ั้นอย่าประมาทให้ทําอย่างผู้เจ้าสอนให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่ า, เ, าเดี๋วเดี๋ยวหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายไม่รู้จะหยุดหายใจเมื่อไหร่ตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่รีบขึ้นรีบกัน อย่าไปอยู่ข้างนอกไปหาลทธขึ้นกันดีกว่าไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวะหาปุราปะเรปุเรนติสากเทังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานาังอุปกัรปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปันาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธานสีลิสะนิจจังุทธาปะจายโน จตารโหธมาวทานิอายุวโนสุขังภาลังหนังสือก็เป็นเหมือนแผนที่บอกทางเดินไปสู่ความสุขความเจริญแ ล, แล้วเราถ้าทำตามหนังสือเราก็จะได้ความสุขความเจริญกัน อยากจะถามอะไรไหมอยากจะรู้อะไรหมถ้ยครับคือตอนนี้ผมตระหนักครอบครัวนิดนึ่งแต่ผมก็ทําใจต่างคนตทางไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมครัถูกไหมก็จริงหรือเปล่าก็ก็ปล่อยทําใจถือไม่อะไรเท่าไหร่ใครจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปถูกต้องไหมครับถ้าเราสบายใจก็ถูกต้อง เราไม่ได้ไปเี่ยงเบี้ยอะไรเาสักเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเราไม่ได้ไปตีเขาไม่ได้ไปเอาข้าวของเงินทองของเขาเขาอยากจะทำอะไรเมื่อบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังก็ปล่อยเขาไปเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมใช่ไหมที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาทาแล้วเขาไม่ทําพอเราตัดความอยากได้เขาจะทำอะไรเราก็ไม่ทุกข์ก็เลยปล่อยทําใจมาเป็นปีละแล้วสบายขึ้นไหมล่ะ สบายใจสิ่งครับนั่นแหละการปฏิบัติเพื่อให้เราสบายใจตอนนี้เราไม่สบายใจเพราะเราชอบไปแบกแบกคนนั้นแบกคนนี้เลยทําให้เราหนักอกหนักใจกันพอเราไม่ไปแบกเขาแล้วเราก็สบายใจวิธีแบกเขาวมเราก็คืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทานั่นอยากให้เขาทํานี่พอก็ไม่ทำํำเราก็หนักอกหนักใจ พอเราปล่อยวางวาเขาจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทำไปเรารับได้ทุกอย่างเราก็สบายใจไม่บาปไม่ไม่อะไรทั้งนั้นไม่ไม่โหดร้ายทารุณเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือเขาถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาขาดอะไรมีอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแต่การกระทำของแต่ละคนนี่เราไปบังคับกันไม่ได้ คนเราเหมือนผลไม้เน่ะมันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอใช่ไหมเราจะไปให้เขาเป็น <bir cultural validation> เขาเป็นกล้วยเราอยากจะไปให้ก็เป็นส้มมันก็เป็นไม่ได <my foreign language> ้นิสัยก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยเป็นอย่างนี้ไปนอกจากเขาจะเปลี่ยนเขาตัวเขาเองเปลี่ยนได้นิสัยคนเราเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนยากธรรมดาคนเราไม่ก็ชอบเปลี่ยนนิสัยของตัวเองชอบไปเปลี่ยนคนอื่นมากกว่าให้ นิสัยคนอื่นมาเข้ากับนิสัยเราใช่เราชอบดูหนังเราก็อยากจะให้เขาดูหนังกับเราเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วชอบดูหนังเราก็เลยอยากจะให้เขามาดูหนังไม่ให้เขาเล่นกีฬามันก็ขัดกันเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าต่างคนต่างปล่อยกันอ่ะคุณชอบเล่นกีฬาคุณก็เล่นกีฬาไปฉันชอบดูหนังฉันก็ดูหนังไปต่างคนต่างอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็สบายใจ อยู่ด้วยกันได้ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมอ่ามันคือเรื่องความอยากของเราทำให้เราทุกข์กัน อ, อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์กันถ้าอยากได้แล้วก็เหมิม อ, อยากได้เพิ่มได้คือว่าจะเอาสอกเดี๋ยวขอเขามากๆเขาก็เบื่อเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ทำตามที่เราอยากได้อยู่ดี งั้นพยายามลดความอยากดีกว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยปล่อยเขาเขาอยากจะทาอะไรก็ถ้ามันไม่ทาให้เกิดความเสียหายกับใครก็ก็ก็ปล่อยเขาไปถ้าเกิดความเสียหายก็ต้องคุยกันก่อนถ้าคุยกันแล้วยังยังไม่เลิกก็อาจจะต้องแยกกันอยู่เพราะถ้าอยู่แล้วเกิดความเสียหายอยู่ไปทำไมใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่เกิดความเสียหาย ก็ปล่อยก็ทําไปเราอยากจะเล่นกีฬาเราอยากจะดูละครก็ต่างคนก็ต่างทําเรื่องของของการละกันไปเขาเล่นกีฬาไปเราก็นั่งดูละครไปชีวิตก็ยังมีความสุขร่วมกันได้ของของกขยายความที่ได้เห็นข้อความมาว่าจิตมีรมหายใจ เป็นเครื่องรู้สติมีลมหายใจเป็นที่ระลึกกันะหว่าทางของกรรมและการขยายพันธุ์นี่คือจิตเราปกติมันชอบไหลไปตามอารมณ์อารมณ์ต่างๆมีอารมณ์แล้วมันก็คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่สงบคิดไปแล้วก็วุ่นวายใจไม่สบายใจคิดถึงเี่ยอย่างคุณเมื่อกี้มาบอก คิดถึงคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็วิตกกังวลไม่สบายใจเพราะไม่มีอะไรยับยังความคิดเหล่านี้ <Yeah. S 1> ถ้าเรามีสติเช่นมีลมหายใจถ้าเราคอยดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆแทนที่จะไปดูคนนั้นคนนี้ดูลมหายใจเรื่องของคนนั้นคนนี้ก็จะหายไปจากใจเราแล้วใจเราก็จะว่างใจเราก็จะสบายขึ้นมา ใจเราวุ่นวายก็เพราะเราไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาแบกเนี่ยงั้นเราอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมาแบกเราเอาลมดีกว่าดูลมหายใจไปให้ใจมีลมหายใจแล้วใจก็จะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรียวกว่ามีสติอืหรือมีพุทโธแทนก็ได้ถ้าเราเราลึกถึงพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงคนอื่นไม่ได้พอเราไม่ได้คิดถึงเขา เขาจะเป็นจะตายเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เดือดร้อนพอเราไปคิดถึงเขาเราก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีเอ๊ะทำไมเขาทาอย่างนั้นทําไมก็ทําอย่างนี้ทําไมก็ไม่ทําอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ทําให้เราวุ่นวายใจแต่เราต้องรู้ความจริงว่าเราไปควบคุมบงังคับคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเขาก็เป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเหมือนฝนฟ้าอากาศบางทีก็ดีบางทีก็ร้าย บางทีฝนก็ตกบางวันก็แดดออกเราต้องหัดอยู่กับเขาให้ได้เหมือนกับเราอยู่กับดินน้ําลมไฟอยู่กับฝนฟ้าอากาศใช่ไหมบางวันฝนก็ตกบางวันก็ร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนเราถ้าเราอยู่กับเขาได้เราก็สบายแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ร้อนอยากจะให้ฝนตกตอนนี้เราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องปล่อยวางทุกอย่าง อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจไม่ทุกข์ใจกันไม่หนักอกหนักใจกันถ้ามีสติมีปัญญาสติก็คือดึงใจเรากลับเข้ามาที่ลมกลับมาที่พุทโธอย่าไปเกาะกับคนนั้นเกาะติดอยู่กับคนนี้แล้วก็จะทําให้เรากังวลวิตกห่วงใยเดือดร้อน พอเราไม่ไปคิดถึงเขาเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลต่างๆหรือถ้าต่อไปเราจะคิดก็คิดด้วยปัญญาว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่เป็นก็ปล่อยก็เป็นไปหรออย่างเเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไปเราก็จะสบายใจ เวลานั่งสมาธิอาจารยเวลานั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยจับลมหายใจแต่บางทีก็มีเหงือนึบหนุนคอพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความสับสนว่าจะเลือกทางไหนดีไปะยาะวเราทางใดทางหนึ่งไปอย่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนขี่มากวิ่งแข็งขี่มากแข็งขี่ม้าครึ่งทางก็โดดขึ้นอีกตัวนยงเงี้ยมันก็ ไปไม่ถึงหลักชัยไม่ทันสู้เขาไม่ได้เวลานั่งสมาธินี้จะต้องเอาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เอาให้มันไปตลอดลอดฝังไปเลยแ ต, แต่เวลาอื่นเปลี่ยนได้จนวันนี้นั่งพุโทโธไม่ได้ผลดีพรุ่งนี้ลองนั่งดูลมหายใจแทนก็ได้แต่ระวังที่ทํานี้ถ้าอย่าไปเปลี่ยนได้จะดีกว่าให้มันอยู่กับเรื่องเดียวไปอย่างเดียวดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวคี่ถ้าเริ่มจุดไหนไ เอาตาม อ, อย่างั้นไปทางบ้านมีคำถามไหมคอัเข้ามาเลยคำถามทางยูท b e จากคุณอาจารย์งามค่ะการทำบุญใส่บาตรแล้วไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลได้หรือไม่คะเพราะมีคนที่ทำบุญแล้วไม่ชอบตรวจน้ำค่ะคือคำว่าตรวจน้ำนี่มันมีสองความหมายหมายความว่า ถ้าเราทำบุญเสร็จแล้วเราไม่มีน้ำแต่เราอุทิศบุญเรายังอุทิศได้อยู่ก็เราไม่ต้องใช้น้ำเป็นตัวอุทิศเราใช้ใจความคิดของเราเวลาทำบุญแล้วเรามีบุญในใจมีความสุขใจเราก็ขออุทิศความสุขใจนี้ให้กับผู้ร่วรับไปแล้วได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ำ <t> แต่อี ก, อ, กอีกความหมายหนึ่งคือไม่อุทิศเลยไม่ใช้น้ำไม่อุทิศเลยคือเขาไม่เขาไม่รู้จะส่งไปให้ใคร เอาก็เลยไม่ส่งก็ได้ไม่ส่งก็ก็ไม่ ก, มก็คนที่จะรอรับก็ไม่ได้รับเท่านั้นเองดวงวิญญาณที่อาจจะรอรับส่วนบุญของเรานี้เขาก็จะไม่ได้รับอ๋อบุญของเราก็มีอยู่บุญที่เราแบ่งไปก็มันก็ไม่ไปไหนมันก็กลับมาหาเราคำถามจากคกรรุณสกายฟอค่ะผู้ที่ทำบุญทำทานมากๆเมื่อตายไปเกิดเป็นเทวดา ถ้าหมดบุญแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะทันกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่บนสวรรค์นา น, านไม่นานเนีถ้าบุญมากก็อยู่นานเหมือนเรามีเงินมากเราไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวนานหน่อยถ้ามีเงินน้อยก็อยู่ไม่นานต้องรีบกลับไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารมันก็ต้องกลับถ้ามีมากก็อาจจะอยู่นานหน่อย อันไม่มีใครรู้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเ ม, มื่อไหร่อันอย่ารีบประมาทอย่าประมาทรีบทํำซะตอนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นสูงสุดได้อย่าเอาแค่ชั้นสองชั้นสามชั้นเทวดานี่มันชั้นสองชั้นสามเอาขึ้นไปบนชั้นชั้นสูงสุดเลยดีกว่ามาเถือศีลแปดกันมานั่งสมาธิกันมาปองกัน คำถามจากคุณอาจารย์งามค่ะพระอาจารย์กล่าวว่าถ้าเราตายร่างกายเราตายแต่ใจเราไม่ตายใจเราจะไปเกิดใหม่ไปเหนี่ยวร่างใหม่ตามบุญตามกรร ม, ท, มทําทีหรือไม่คะก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมก่อนไงถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ถ้าบาป พ, พาไปก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลากายไปตกนรกก่อน แล้วพอบาบหมดกําลังที่จะดึงไว้ก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่คําถามจากคุณพิพทีวัดค่ะเวลาคนที่ฝึกสมาธิที่มีทริปจกักขุบไปเห็นสฐานที่ต่างๆได้ไปดูนรกสวรรค์ได้เพราะจิตมันออกไปยังสถานที่นั้นๆหรือว่าจิตมันเพียงเปิดตาที่ปกติไม่ได้เปิดพอเปิดก็เห็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็อย่างนั้นแหละ เวลานั่งสมาธิก็เหมือนเปิดตาในเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็เปิดตานอกปิดตาในตอนนี้เราเปิดตานอกกันตานอกก็คือตาล่างกายตาในก็ปิดในมองไม่เห็นพอนั่งสมาธิเราก็ปิดตานอกแล้วพอจิตสงบตาในก็เปิดขึ้นมาคำถามจากคุณนาราพระโพธิสัตว์ต้องเรียนกับใครครับ ก็แล้วแต่ว่าเกิดในยุคไหนสมัยไหนะมีใครสอนอะไรก็เรียนกับเขาไปไปเกิดในยุคที่เขาสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลไปเขาสอนให้ทำบุญรรทาทานก็ทำไปก็ทำไปเรื่อยๆความดีต่างๆที่เขาสอนให้ทากันทุกยุคทุกสมัยจะมีศาสนามีคนสอนให้ทำความดีกันเสมอเพียงแต่ว่าจะไม่มีใครสอนถึงขั้นระดับของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเอง สอนในเรื่องศีลได้สอนในเรื่องทาทานมีสอนในเรื่องนั่งสมาธิมีแต่อสอนเรื่องปัญญานี้ต้องมีมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสอนได้ที่จะสอนให้เราเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีศาสนาใดสอนได้นอกจากศาสนาพุทธถ้ายัางไม่มีศาสนาพุทธก็ต้องต้องค้นค้าหาอนิจจังทุกขังอนัตตาเอง อย่างพระพุทธ้าของเราก็มีคนสอนให้รักษาสีมีคนสอนให้ทําทานมีคนสอนให้นั่งสมาธิแต่ไม่มีใครสอนให้มองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าต้องต้องสอนตัวเองพอสอนตัวเองถึงได้ตัดสั้นว่าโอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปล่อยวางต้องไม่ไปยึดไปติดอายุติดแล้วก็จะทุกข์แล้วจะต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ อันนี้ต้องหอันนี้ต้องค้นหาเองพ่โพระพที่ศาสต้องค้นหาเองแต่เรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสมาธิเรื่องเมตตานี้มักจะมีมีมีมมาศาสนามีคนสอนกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคำถามจากคุณไมเคิลค่ะถ้าเราอยากไปจังหันอยู่วัดทุกวันตลอดระยะเวลาที่หลวงพี่ท่านปรารณาบวชแต่ผู้ใหญ่ไม่อนุญาต ทั้งที่เจเราเป็นกุศลและเจตนาบริสุทธิ์ควรทําอย่างไรเจ้าคะเราอยากจะทําบุญอยากถวายจังหันให้กับพระถ้าเราไปไม่ได้เราก็ อ, อถ้าให้คนอื่นไปทําแทนได้ก็ให้เขาไปให้เงินเข้าไปให้ซื้ออาหารแ้วหวานให้เขาไปถวายพระแทนหรือถ้าที่วัดมีเจ้าหน้าที่หรือมีลูกศิษย์ ที่เราเชื่อใจได้ว่าถ้าเราฝากเงินไว้นะเ็าจะซื้ออาหารถวายท่านก็ก็ฝากเขาไว้ก็ได้ถ้าเราไปเองไม่ได้เราก็ฝากคนอื่นทาให้เราเราก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณชัยสลามกุลค่ะพระอาจารย์บอกให้ปล่อยวางโยมกราบเรียนถามให้ปล่อยอะไรให้วางอะไรโปรดขยายความให้แสงสว่างด้วยค่ะก็ปล่อยทุกอย่างปล่อยเงินทองปล่อยตาแหน่งปล่อยสรรเสริญ ป่อยความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายคือให้ไปบวชไงถ้าบวชแล้วก็ไม่หาเงินทองไม่หาตําแหน่งต่างๆไม่หาคําสรรเสริญเยินยอไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแล้วก็ให้มาหาความสุขทางสติทางสมาธิแทนคำถามจากคุณมิพาพรข้อที่หนึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขายังต้องการเสื้อผ้าโดยสื่อสารผ่านคนทรง ให้ส่งต่อไปเชื่อได้แค่ไหนคะไม่ได้ลบหลูค่ค่ะแต่ไม่ทราบเจ้าค่ะก็ความจริงมันไม่ต้องผา่านคนทรงหรอกถ้าเขาต้องการเขา้าเข้าหาเราได้โดยตรงเขาเขา้ามาเข้ามาในฝันได้มาบอกเราในฝันว่าตอนนี้เขาอดอยากขาดแคลนเดือดร้อนถ้าเราได้รับได้รับข่าวจากเขาเราก็ไปทาบุญตอนเช้า เช่อะไรต่างๆที่เขาต้องการแล้วก็ถวายพระไปแล้วเราก็เอาบุญที่เราไดจากการถวายข้าวของเหล่านี้อุทิศไปให้กับเขาได้ไม่ต้องผ่านคนเข้าทรงเพราะคนเข้าทรงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงเขาพูดจริงหรือไม่พูดไม่จริงเราก็ไม่รู้ของพวกนี้เราไม่ต้องผ่านคนอื่นถ้าไม่มีใครมาเข้าฝันก็แสดงว่าไม่มีใคร้าเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปกังวล ถือว่าคนที่เรารู้จักเขาไปดีแล้วเขาไปสู่สุขโตไปสู่สวรรค์เราก็ไม่ต้องกังวลหรือถ้าเรายั ง, ยงเรายังอยากจะส่งไปก็ส่งได้ทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วก็ขออุทิศส่วนบุญไปบุญที่เราทิศนี้ไม่ได้เป็นบุญทั้งหมดน ะ, ะว่าบุญอุทิศนี้ก็เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นที่เราส่งไปได้บุญส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราไม่อุทิศถ้าเขารออยู่เขาก็ไม่ได้รับ แต่ถ้าเราทิศเขาก็จะได้รับข้อที่สองทำไมเด็กอายุแค่12ปีเป็นเด็กดีมากๆถึงต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเร็วจังเขอทํ า, ากรรมอะไรครั อ, อ๋อเรื่องของความตายนี่มันมันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันกรรมในอดีตที่เขาทามาก็มีส่วนกรรมในปัจจุบันไปอยู่ในรถคันนั้นเข้ารถที่มันจะเกิดมีอุบัติเหตุเี่ย ถ้าไม่ได้ไปอยู่ในรถคันนั้นก็อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะนั้นเรื่องของเหตุต่างๆนี้เราไม่สามารถที่จะไปค้นคว้าหาได้เราก็เพียงแต่ต้องรับว่ารับความจริงว่าชีวิตมันไม่เมันไม่เที่ยงก็แล้วกันไม่ว่าจะตายด้วยเหตุใดมันก็ตายด้วยกันทุกคนถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตาย ไม่ต้องไปถามว่าทำไมต้องตายก็เพราะว่ามันเป็นผลที่เกิดมาจากการเกิดถ้าถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดคาถามจากคุณปัทมาพรถ้าพุทโธตอนต้นแต่พอนั่งไปสักพักพุทโธหายไปไปรับรู้ลมหายใจเองเจ้าคะคือเปลี่ยนอัตโนมัติทำอย่างไรดีเจ้าค ะ, ะถ้าอยู่กับลมหายใจต่อไปได้ก็อยู่ต่อไปก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าไปกังวลถ้ามันจะเปลี่ยนเกียร์บางทีก็ขับรถมันก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตอนต้นมันอาจจะพุโทโธพุทธโทไปแล้วสักชักมันอาจจะเมื่อยอาจจะเหนื่อยมันอยากจะดูแทงก็ดูไปก็ได้ก็ขอให้มีอะไรคอยกำกับใจไว้ก็แล้วกันให้มีอะไรผูกใจไว้อย่าปล่อยให้นั่งเฉยเฉยคำถามจากคุณดาดิฉันบางครั้งจะสวดมนต์หลังเที่ยงคืนจะได้ไหมเจ้าคะได้สวยเวลาไหนได้ทั้งนั้นเนะี่ย คำถามจากคุณปทุมมาความตายถูกพิจารณาและยอมรับจนเกิดเป็นแสงสว่างในโลกคลิปเป็นการพิจารณาแท้ไหมคะเพราะมันเกิดความสุขจากการยอมรับความตายถ้าเรายอมรับความตายได้แล้วเราไม่ทุกกับความตายก็ใช้ได้จะมีแสงก็ไม่มีแสงก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้เราดับความทุกข์ใจเกี่ยวกับความตายได้ก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้อง คำ ถ, ถามจากคุณอาจารย์งามค่ะการบวชชีโกนหัวสามารถบวชอยู่ที่บ้านได้หรือไม่คะได้ก็ไม่มีใครข้อห้ามทําได้คํถาถามจากคุณกอ๊อตแมววิ่งตัดหน้ารถแล้วเราชนเขาตายเราจะบาปไหมคะแล้วอยากแล้วอยากส่งบุญไปให้เขาทางไหนดีเขาถึงจะได้เจ้าคะ เ, ออเขาตัดหน้าเราถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปชนเขาก็ไม่บาป ส่วนเขาตายไปแล้วเราก็อุทิศบุญเหมือนกันเราอุทิศให้กับคนตายได้เหมือนกันแมวก็มีดวงจิตดวงวิญญาณเหมือนกับคนวันแล้วนะพักก่อนเดี๋ยวก็เข้ามาอีกทางนี้มีใครอยากจะถามต่อบไหม ก็อย่าทำบุญอย่าบาปนะถ้าไม่มีบุญดึงไปมันก็ไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าไม่มีบาปมันก็ดึงไปอบายไม่ได้มันก็กลับมาเกิดมนุษย์ทันทีจะกายเป็นเกิดเป็นศา์เดลฉานนี่หรือคะไม่เนเป็นสศา์เดรลฉานต้องทําบาปเลยต้องทําบาปถึงจะไปเป็นเดลฉานถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปอบายก็ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์แทน บุญกับบาปนี่เหมือนกับวัวสองตัววัวที่ลากเกวียนตัวหนึ่งเราวางไว้ด้านหน้าตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังเวลาเวลาที่วัวสองตัวนี้มันมันลากเกวียนมันก็จะดึงกันไปดึงกันมาวัวตัวไหนมีกําลังมากกว่าเกวียนมันก็จะไปตามทางของวัวที่มีกําลังมากกว่าทำบุญก็มันก็จะลากเราไปสวรรค์ทำบาปมันก็จะลากเราไปอบายทีตัวไหนมันมีกาลังมากกว่า มันก็จะไปทางที่ตัวที่มีกำลังมากกว่าแล้วพอตัวที่กำลังมีมากกำลังมากกว่าอ่อนกำลังลงมีกำลังเท่ากับตัวที่จะดึงไปสวรรค์จะดึงไปสวรรค์ก็ไปไม่ถึงจะดึงให้อยู่ในอบายก็อยู่ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์เวลาเท้บุญกับบาปเป็นเป็นกลางกลงคือห้าสิบห้าสิบถ้าบาปแปดสิบบุญยี่สิบนี่มันก็ไปอบายถ้าบา ถ้าบาป80ถ้าบุญ80บาป20มันก็ไปสวรรค์จนกลาบุญจะลดลงเหลือ20 20เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์หน่อันนี้พูดเปรียบเทีย น, นจะจริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้หรอกแต่เท่าที่ฟังมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้น แต่ใกตะวันน่ะจะใช้หลักสติแล้วก็การกระตุ้นที่ถ้าจะหมดแล้วก็เริ่มเรียนวิชาทะทีนี้การที่จะภาวาเนี่ยที่ใหญ่จะเป็นตอนกังคืนนะคะแล้วพอจะทุกครั้งเหมือนกับตารวจดูการที่มัจะเดันไปนะคะก็จะหลับไปแต่มีวันก็เหมือนหลับอะคะ่ะจะอยู่เหมือนหมือนมีออกสองสองลูกตา เป็นปะการังดาวเป็นฟ้าก็ไม่ได้ตกใจแต่จะใช้ตัวรู้มอง ย, อยากคืออะไรแล้วก็ค่อยๆหาไปแต่ก็ไม่ได้ตกใจอไม่มีไ ม, ไ, ไม่มีนัยยะอะไรไก็เรื่องของจิตมันก็แสดงอาการต่างๆได้จิตนี่มนะันสามารถเนรมิตภาพหรืออะไรต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้ทั้งที่เราหลับแล้วหลับหรือเตือนบางทีมันก็ทําได้ ไม่ไม่ไม่ไม่มันให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปอยากให้มันเกิดอีกถ้าอยากให้มันเกิดแล้วไม่เกิดก็จะทุกข์มันแล้วแต่มันแล้วแต่อารมณ์มันจะผลิตขึ้นมามันมาก็รู้ว่ามันมามันไปก็รู้ว่ามันไปไม่มีอะไรใช่ไหมสิ่งที่ทดสอบเราก็คือความทุกข์ถ้าเราทุกข์กับอะไรเนี่ยแสดงว่าเรากําลังมีข้อสอบแล้ะ เราก็ต้องหาวิธีดับความทุกข์นั้นให้ได้ถ้าเราดับได้เราก็ผ่านถ้าเรายังดับไม่ได้เราก็แสดงว่ายังสอบตกปัญญายังไม่ทันคำ ถ, ถามจากคุณสมศรีเห็นบางวัดมี ท, ทําพิธีสืบชะตาบูชาเทียน สะดาะเคาะอย่างนี้ถูกผิดอย่างไรคะสมัยพุทธกาลมีแบบนี้ไหมคะก็ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีเขียนไว้นะว่ามีพิธีสะเาะเคาะกรรมต่างๆมีแต่สอนห้ามอย่าไปสร้างเคาะกรรมอย่าไปทําบาปเพราะบาปนี่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดเคาะกรรมต่างๆขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีเคาะกรรมก็อย่าไปทําบาปให้ทําแต่บุญไม่ต้องไปทําพิธีทําพิธีก็สะเดาะไม่ได้ เองก็สบายเลไปทําบาปวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทําพิธีใหม่เดี๋ยวก็หมดนี่มันไม่ได้บาปทําไว้แล้วไม่มีใครไปลบล้างได้เดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องแสดงผลขึ้นมาบุญก็เหมือนกันทําแล้วก็ไม่มีใครไปลบล้างได้ถึงเวลามันก็จะต้องออกดอกออกผลของมันเถ้าเราไม่ต้องการผลของบาปก็อย่าไปทําบาปถ้าเราต้องการผลบุญก็ทําให้มากๆทําบุญให้มากๆ ถามจุณราสังฆกรรมคืออะไรครับก็กรรมของสงเลยคือกิจกรรมของสงเช่นบวชพระนี่ก็เป็นสังฆกรรมรับผ้ากระสินนี่ก็เป็นสังฆกรรมรับสังฆทานพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆกรรมปิดเป็นกิจของพระที่พระทำร่วมกันฟังปฏิโมกวันทุกสิบห้าวัน พระจะต้องลงฟังรพระสวดปฏิโมทบทวนพระวินัย227ข้อก็เรียกว่าสังฆกรรมในยเวลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ต้องมีวิธีทำาทาก็ทําสังฆกรรมจะเป็นกิจกรรมของสงฆ์โดยตรงไม่เกี่ยวกับญาติโยมญาติโยมก็มีส่วนร่วมได้นั่งดูนั่งเนยวเวลาพระทําทกิจกรรมบางอย่างญาติโยมก็ไปนั่งอนุโมทนากัน แต่เป็นกิจกรรมของพระโดยตรงอย่างเดียวการยินถวายสังฆทานนี่อาจจะไม่ใช่เป็นสังฆกรรมเพราะมีญาติโยมต้องมาถวายให้แต่เป็นถ้าอย่างเป็นฟังปฏิโมกต์นี้หรือเวลาพระเ อ, อทําการบวชพระนี่ก็เป็นสังฆกรรมไม่มีญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้อที่สองกรรมฐ า, านสี่สิบเป็นของศาสนาได้ครับ วองพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราใช้คำปรมฐานสี่สิบนี้เป็นอารมณ์ไว้สำหรับกากับใจให้ใจสงบ<ม>ให้ใจฉลาดให้ใจเกิดปัญญาขึ้มนมาคำถามจากคุณกิ๊ฟหลายๆครั้งที่หลับไปโดยไม่ได้สวดมนต์มักจะฝันเห็นผีหรือเรื่องน่ากลัวโดยเห็นในห้องนอนหรือบ้านตัวเองเกิดจากอะไรและควรทาอย่างไรคะ เกิจากบาปที่เราทําพยายามอย่าไปทําบาปทาแต่บุญแล้วต่อไปจะฝันเห็นแต่เทวดาคําถามจากคุณปัทมาพรค่ะลูกพยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์ตอนที่ลูกโดนกระทบลูกก็หยุดและยอมที่จะไม่ไปตอบความแต่ทําไมน้ำตาลูกไหลมือสั่นคือตอนนั้นดูใจก็ไม่ได้กับเพื่อมด้วยด้วยความโกรธ น, นะเจ้าคะ ใจก็ยังไม่มีกําลังมากพอยังหวั่นไหวอยู่สติปัญญายังไม่แก่กล้าใจยังไม่เป็นอุเบกขาเต็มร้อย<ม>ก็ต้องฝึกต่อไปฝึกสติฝึกนั่งสมาธิใจยังรวมรวมไม่ถึงอัปปนาสมาธิถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจะเป็นเหมือนหินจะเฉยเฉยใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรืออะไรทั้งนั้น ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปเนี่ยคือคือประโยชน์ของการมีสมาธิกับปัญญาจะทำให้ใจไม่ตอบโต้คำ ถ, ถามจากคุณพิตาพรลูกชายเคยบอกว่าเห็นผู้ชายยืนมองอยู่หลังบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่คนเป็นไปได้ไหมคะหลวงพ่อลูกชาย I U S S H P H P อายุสิเอ็ดขวบเขาบอกว่ามายืนมองเขาเฉยๆคะ่ะ ค า, า, ออ ถ, าถามจากคุณเดียหลังความตายแล้วกี่วันกี่เดือนจึงจะเกิดใหม่เจ้าคะ อ, อ๋อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราไปรับว่ามันจะมากจะน้อยจะนานหรือไม่นานแต่พอตายไปปั๊บนี้จิตเราก็ไ ป, ไปเป็นไปเป็นเทพเลยไปอบายเลย ส่วนจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เมื่อไหร่นี่ก็แล้วแต่ว่าเวลาที่เราต้องไปใช้บุญใช้บาปนี่มันมากน้อยเท่าไหร่พอแล้วน ะ, จะจวิญญ า, ญญาเร่รอ่อนก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งไงเป็นผีพวกอสุรกายพวกเปรต น, นี่เขาเรียกว่าวิญญาเร่ร่อ น, นก็เป็นกายทิพย์ที่อยู่ในอบาย เอาเขาร่างป่าชาเพื Led ่อเขาจะได้มีที่ให้ไปฝังศพใหม่ไงเพราะศพเก่ามันมันกินเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่จะฝังศพใหม่เขาก็เอาศพเก่าขึ้นมาล้างแล้วก็เอาไปเผาทิ้งทั้งใไม่มีอะไรไ ม, ม่ใช่ว่าเขาแบบล้างไม่แล้ววิญญาณหายไปเกิดที่ไหนไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้ววิญญาณไม่ไ <in my room> <N> ด้เป็นไม่มีแล้วหรอก <N> ไม่มีเอ่ไม่มีไม่ไม่มีใครตายแล้วมานั่งเข้าศพของตัวเองตายแล้วก็ไปหาร่างกายใหม่กัน ไปเป็นเทพบ้างไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉ า, านไปเป็นมนุษย์กันที่ก็ล้างกันเพราะว่ามันไม่มีที่จะฝังแล้วเขออย่านะฝ่าช้ามันเต็มแล้วเขาก็เลยต้องล้างกันเพื่อจะได้มีที่สําหรับให้ฝังคนใหม่นะก็จถือว่าาาเปรทํบุญชคเป็นการ า, รกนการร ท, นนทํบคือจะว่าเป็นบุญก็บุญแบบว่าทําให้มีที่ฝังศพใหม่ก็เป็นการทําประโยชน์ ทำประโยชน์มันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการทำประโยชน์ให้กับสังคมนี้เรียกว่าเป็นบุญะาะจะได้มีที่ฝังสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องฝังเขาไม่เชื่อเรื่องเผามันก็เลยไม่มีที่ก็เลยต้องไปขุดของเก่าขึ้นมาแล้วก็ามาเอามาเผาแล้วจะได้มีที่สำหรับเผาที่ฝังศพใหม่ อ๋อไม่หรอกวิญญาณทุกวิญญาณมันไปของมันแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะไปจุดติที่ไหนเท่านั้นที่ดีหรือที่ไม่ดีี่มันอัตโนมัติมันเป็นไปทันทีมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่พวกเราที่ไปทํากันแต่ความเชื่อของของทางคนจีนเขากอาจจะเป็นอีกแบบนึ่งใ่ไหมคะใช่เขาก็เชื่อไปตามไม้สมัยก่อนเขาเราก็เชื่อว่าโลกนี้ิยมเนี่ยมันไม่มันไม่มน่เขาว่ามันจะเป็นความจริงใช่ไหม เมื่อก่อนคนสมัยโบราณก็คิดว่าโลกนี้แบนกันไม่กล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลเดี๋ยวกลัวจะตกออใช่ไหมแต่สมัยนี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่แบนมันกลมออพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์แล้วว่าตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปพบสูงพบต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทํากันแต่ความเชื่อของเขาก็ยั ง, ยงมีอยู่นั่งเดิมเพราะความเชื่อบางอย่างนี้มันอาจจะแก่กว่าพุทธศาสนาก็ได้ ศาสนาอื่นศาสนาฮินดูนีมมม่มีมีมีมาก่อนมีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่บางทีก็เชื่อแต่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอต่ความเชื่อคารรําสอนพระพุทธเจ้านี้ตรงกับความเป็นจริงถ้ามาต่อเ ม, มย์ไหมมีคําถามครับผมไปที่วอส่วนโมครับเจอองค์กรที่อยูที่ต้นไม้เขียนว่าประเพณีและวัฒนธรรมเป็เนต้นเหตุ ออกเสของพฤาอยากให้การอธิบายครับก็ประเพณีวัฒนธรรมที่มันมันขัดกับหลักคำสอนของพุทธเจ้าไงแต่เชื่อกันมาก็เลยทำให้คนเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างที่เมื่อกี้ที่โยมก็ถามเข้ามาว่าพิธีเะดาะข้อกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มันไม่ถูกหลักความเป็นจริงก็จะทำให้คนแทนที่จะมาปฏิบัติศึกษา มันก็จะไปทำพิธีกรรมต่างๆที่มันไม่ได้ทำให้ศาสนาเจริญเพราะจะทำให้มันทำแล้วคนจะไม่เกิดศรัทธาเพราะมันทำแล้ว ม, มันไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราจะได้รับผลจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้มีคนที่มาศึกษามาปฏิบัติมีศรัทธามีความเชื่อ แล้วก็จะเอาไปเยผยแพร่สั่งสอนให้กับคนอื่นไปเป็นทอดทอดศาสนาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆนแต่ถ้าเรามาทําวัฒนธรรมพิธีกรรมต่างๆที่ไม่มีผลอะไรทําไปต่อไปเด็กสมัยเนี่ยพวกนี้มันก็จะไม่เชื่อทําแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็เลยจะทําให้ไม่มีใครอยากจะเข้ามาหาศ า, ศาสนาต่อไปคําถามจากผู่มัะสองออกนาม การภาวนาถ้าได้ผลดีเรื่อยๆตามลาดับจะมีกำลังใจในการปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเป็นเวลานานๆจะมีอุบายอย่างไรให้ภาวนาตลอดรอดฝั่งคะใช้ความศรัทธายอย่างเดียวในพารตนาตจจะช่วยได้ไหมคะบางทีก็ต้องไปหาผู้รู้แล้วล่ะหาผู้ที่ปฏิบัติเป็นให้เขาช่วยกระตุ้นให้ช่วยหาวิธีแก้เพราะถ้าเราปฏิบัติตามลาพังนี่บางทีเราก็อาจจะเป็นเหมือนรถติดหลง หล่มแล้วก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรก็ต้องไปศึกษาไปอยู่วัดที่ก็มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแล้วเราจะเห็นอุบายวิธีปฏิบัติตา่ตางสถานที่ปฏิบัติเขามีลักษณะที่จะส่งเสริมการปฏิบัติได้งนั้นถ้าเราติดอยู่กับที่ก็ควรจะย้ายที่ควรไปหาที่ใหม่ไปหาครูบาอาจารย์ใหม่หรือผู้ปฏิบัติใหม่ที่มีความเข้มข้นกว่า ที่มีความจเจริญก้าวหน้ากว่าพอเราไปเห็นเขาทำเราก็อาจจะทำตามที่เขาทำแล้วเราก็จะสามารถก้าวลึบหน้าต่อไปได้คาถามจากคุณสกายฟอลค่ะคนที่มาเกิดจากภูมิต่างกันจากสวรรค์หรืออบายจะมีผลต่อ น, นิสัยตอนเป็นมนุษย์หรือไม่ครับมีเพราะคนที่มาจากอบายก็จะเอานิสัยไม่ดีมาคนที่ไปอบายก็เพราะชอบ ฆ่าสัตตัดชอบทำบาปชอบอบายมุขพอกลับมาเกิดก็จะเอานิสัยเดิมนี้มาใช้ต่อคนที่มาจากที่ต่ำก็จะมาเป็นคนชอบทำบาปชอบเสพอบายมุขส่วนคนที่มาจากที่สูงที่ก็ไปที่สูงเพราะเขาทำบุญไปก็รักษาศีลพอเขกลับมาเขาก็จะเอานิสัยนี้กลับมาใช้ต่อคำถามจากคุณพิพิวัดค่ะคาิกะสมาธิอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิเป็นฌานขั้นไหนบ้างครับปฐมทุติยะตัติยะตอนนี้กะกาปนาเนี้เป็นเป็นฌานสี่เป็นอ่ะต่างกันตรงนี้คันนีก ะ, กะสงบเดียวเดียวเข้าไปปุ๊บแล้วก็ได้งอกมาส่วนอัปปนาสมาธิเข้าไปแล้วก็แช่อยู่ส่วนอุปจรารสมาธินี่เป็นฌานสี่แต่ฌานสี่ที่ไม่อยู่ในอัปไม่อยู่นิ่ง ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับรู้นิมิตไปไปเห็นโลกทิพย์เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นกายทิพย์ต่างๆติดต่อกับเทวดาอนี้ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิเวลาพระพเจ้าแสดงธรรมนี้ท่านจะไม่อยู่ในอัปปนาสมาธิท่านจะถอยออกมาใบรับติดไปต้อนรับพวกกายทิพย์พวกเทวดาทั้งหลายเวลา ท, ที่พระเจ้าแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาท่านจะอยู่ในชั้นอุปจารสมาธิ แต่ต้องเข้าไปในอัปนาก่อนแล้วค่อยถอนออกแล้วค่อยถอยออกมาเขาว่าคำถามจากคุณอนงเกิดปวดข้อเข่าอักเสบมากพร้อมๆกันสองข้างจนแทบยืนไม่ได้จิตละลึกรู้ถึงกรรมตอนเด็กเคยเอาเสียงจับไปที่ลูกงูที่โผล่ขึ้นจากดินตอนทำสวนครัวเพราะควงงูกัดแต่ดินนิ่มงูจึงหนีไปได้เราควรวางแผดจิต เมตตาและขอโหติกรรมอย่างไรถึงจะถูกต้องครับก็เราควรจะเอาบทเรียนนี้มาสอนแล้วว่าต่อไปนี้เราอย่าไปทําบาปอีกอดีตที่เราทําไปแล้วก็ผ่านไปแล้วถ้าเราอยากจะอุทิศบุญทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่รู้ว่ามีใครรับบุญหรือเปล่าแล้วก็อุทิศบุญให้สรรพสัตว์ไปก็แล้วกันแต่ตัวสําคัญก็คือให้จําจดจําว่าเนี่ยทําบาปแล้วจะได้รับผลอย่างนี้ต่อไปนี้ก็อย่าไปทําบาปอีกต่อไป แล้วต่อไปก็จะไม่มีผลอย่างนี้ตามมา อ, มอ่าวว่าการที่เราฝึกที่เราจะรู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าพุโทโธอย่างเดียวมีสติรู้อยู่อย่างนั้นกับอีกอย่างหนึงที่เหมือนมีสติคอยตามสังเกตการกระทบุ้งเกิดตามอระดับไตตามตาตากระทุแล้วก็ วาคอรู้ว่าตาเป็นเห็นูไดินคอเวีนปเวียนมาตาเนยังไงัมจัรที่เรารู้อยู่กับลมเดียวตรงลมแต่ถกทูมมันคนละอย่างกันเลยอย่างหนึ่งเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งเป็นสมาธิถ้ารู้อยู่กับลมไม่ไปคิดอะไรมันจะเป็นสมาธิมันจะนิ่งสงบถ้าตามดูตามดูอารมณ์ที่มากระทบเกิดแล้วดับก็เห็นว่าเป็นวิปัสสนาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับ เราต้องสามารถที่จะปล่อยอารมณ์เหล่านั้นได้เห็นแล้วก็ไม่ไปมอีอารมณ์กับมันถ้าเห็นแล้วยังไปมีอารมณ์ก็แสดงว่ายังไม่เป็นวิปัสสนาจะกลายเป็นกิเลสไปได้ฉะนั้นจึงไม่ค่อยนิยมให้ดูดูอารมณ์ต่างๆเพราะเรายังไม่มีกําลังที่จะไปหยุดอารมณ์ต่างๆได้คนยังมาหัดหยุดหยุดใจให้ได้ก่อนหัดทําสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดได้แล้วต่อไปเวลาเราใช้วิปัสสนาพอใจเรา ถูกอะไรมากระทบแล้วเกิดอารมณ์ล้วก็จะใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดมันได้ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังหยุดมันพอโกรธก็จะโกรธไปเลยครับอ่อผมเคยนั่งติดสมาธิมาก็ระยะหนึ่งครับผมจะก็คือหยุดโทรถ้าใช้เข้าพุทธก็จะดโทรแล้วก็ คืออารมณ์หนึ่งที่คล้ายๆกับความผ่านอยทางบ้างครับผมผมจะเป็นแบบนั้คือพุทโธหายแต่สติยังอยู่สติพุทโธยังอยู่อารมณ์หานแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวว่างสบายอะไการสบายใจทีเนี้อารมณ์คั้งที่ผมได้เนี่ยจะจะอยู่แค่อารมณ์นี้ตลอดผมจะต้องทํายังไงต่อขัดท่าถึยาจาระสมาธิที่ที่ดีกว่านี้ก็ต้องดูลมต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปหรือพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียว อือเราไปถึงครึ่งทางนะ้วแต่ยังไม่ไปไม่ไปสุดทางถ้ายังบริกรรมได้ก็บริกรรมต่อไปอหรือดูลมหายใจได้ก็ดูต่อไปอไปถึงจุดที่มันเบาสบายแต่ยังไม่รวมถ้า อ, อยากให้มันรวมแบบตกลุมตกบอก่อก็ต้องดูลมไปเรื่อยๆหรือพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกลุมตกบอก่อแล้วที่นี่มันก็จะลงไปลึกมันจะนิ่ง ม, มันจะนิ่ง ม, มันจะสงบ น่างกายบางทีก็หายไปออครับเการเจริญเ อ, อสมาธิเนี่ยครับทําไมบางครั้งเนียจิตถึงได้ดิ่งลงไปแต่บางครั้งก็จิตก็หลุดออกไปเลยออกจากนอกกาย อ, อ๋ออยู่ที่กําลังของสติของเราถ้าสติเราดีมันก็จะดึงเข้าข้างในถ้าสติเราเผลอมันก็จะออกไปข้างนอกทีนี้เวลาออกไปข้างนอกแล้วสามารถกลับมาได้หรือเปล่าก็ดึงมันกลับมาด้วยสติเอง ใช่พุโทโธใช้อะไรเดินกลับเข้ามาพอาจารย์ครับแล้วแล้วการเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับกีับสมถะเนี่ยมันต่อตรงไหนอ๋อเป็นคนละข้ามกันเหมือนต้องออกจากสมาธิก่อนนต้องออกก่อนอแต่ว่าวระหว่างอยู่ในสมาธิข้ามไปวิปัสสนาไม่ได้ไม่ควรเพราะเราต้องการให้จิตพักผ่อนเราต้องการสร้างพลังให้จิตก่อนเพราะเวลาเราเจริญวิปัสสนาเราต้องมีกําลังที่จะสู้กับกิเลสถ้าเราไม่มีกําลังของสมาธิ พอกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็จะหยุดมันไม่ได้เช่นเกิดความอยากเราแล้วปัญญาก็บอกอย่าไปอยากเพราะอยากเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้แต่ถ้าเรามีกำลังแล้วเรารู้ว่าถ้าไปทำแล้วจะเกิดความทุกข์เราไม่ทำดีกว่าเราก็หยุดมันได้การเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าเกิดเรากาหนดเกิดดับเกิดดั บ, ดบติดต่อกันจนเป็นเป็น ที่คุ้เคยแล้วมันก็จะกลายเป็นสมาธิอย่างหนึ่งถูกต้องไหมอาจารย์อันนั้นก็เป็นการทําจิตให้สงบอแต่ที่เราต้องการก็คือให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้หยุดอยากมัน อ, อันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเห็นเกิดดับเกิดดับแต่ต้องเห็นว่าได้มันมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องดับไปครับ เวลาดับเราก็จะเสียใจเวลาเราได้คนที่เราลักมาเราก็ดีใจแล้วเดี๋ยวเกิดเขาตายไปเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียใจเราก็อย่าไปเอาเข้ามาดีกว่านี่คือปัญญาตอนนี้นเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันจบมีวันดับแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราอยากได้มามันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัสนา สนใจให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้นะั้นมันจะต้องเป็นทุกข์ในที่สุดงั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรให้อยู่กับสมาธิไปดีกว่าอยู่กับความว่างไปดีกว่าอยู่กับความสงบไปี่คืญญาการที่จิ๋มหรือไม่ที่เวลาเข้าการจะเข้านิพพานเนี่ยต้องขึ้นไปถึงอรูปฌานแล้วถอยลงมาถึงฌานสี่แล้วเข้าตรงช่องว่างตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าแต่ความจริง จิตของพระพุทธเจ้านี่นิพานอยู่แล้วอันนี้เป็นเพียงการปล่อยปล่อยวางขันห้าเท่านั้นเองวิธีปล่อยวางขันห้าคือไม่ได้วิธีเข้านิพานนิพานนี่ท่านไปถึงตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกตอนที่อายุสามสิบห้าปีแล้วท่า น, นถึงนิพานแล้วจิตของท่านบริสุดธไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแล้วไม่มีกิเลสตัณหายอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ยังคลองขันอยู่ยังมีการติดต่อกับขันห้าอยู่ เวลาที่ท่านจะเลือกติดต่อขันห้าท่านก็เลือกต้องอยู่ในช่วงของระหว่างรูปประชานกับรูปประชานอาจารย์ขออีกข้อสุดท้ายครับเวลาจิตออกไปแล้วเนี่ยไปเจออะไรเนี่ยใช้ภาษาอะไรกันภาษาจิตเนีาา่ยภาษาใจคืแค่ใช้ภาษาจิตแล้วอันนั้นอันนั้นคือถูกต้องใช่ไหมชูล<อ> า, าออกไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้ใช้ปากพูดมันใช่ใชจริมันไม่ได้ใช่ภาษาแต่ว่าแต่ว่าพอเรารับรู้ว่าเขาส่งอะไรมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงอก็มันก็เราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ไงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธินี่มันมีทั้งจริงและไม่จริงดังน้นเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อเราต้องหาวิธีพิสูจน์มันให้ได้ก่อนถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็แขวนไว้ก่อน ว่าบางอย่างก็เป็นของจริงกายที่บางทีก็มีบางทีก็เป็นเรื่องจินตนาการของจิตสร้างขึ้นมาหลอกจิตเองก็ได้ดังนั้นต้องเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราสัมผัสนี่จริงหรือไม่จริง<ม>พจะเจ้าบอกว่าไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ให้เราได้ยินอะไรเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ก็อย่าไปปฏิเสธให้รอมาพิสูจน์ก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมันแขวนไว้ก่อนอาจารยอีกข้อหนึ่งเวลาเวลาเจริญสมาธิแล้วเนี่ยครับ <c oughs> มันจะเห็นเป็นขึ้นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเบลอแล้วมันค่อยๆเปิดมิติออกมาอีกมิติเนี่ยถามว่าเบลอเข้าไปได้เลยหรือเปล่าขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยแล้วกำหนดกําหนดมองที่พื้นอยู่เนี่ยขึ้นมันจะเป็นทางลงไปเลยอ ค, คือเราเดินไปไม่ได้หรอกเราต้องอยู่กับการเจริญสติของเราไปเรื่อยๆแล้วมันการเจริญสติมันจะพาไปเองแต่ความจริงการเจริญสตินี้เราต้องการให้มันเข้าสู่ความสงบมากกว่าน้อย่าไปตามมันเข้าใจไหมถ้าปรากฏเป็นภาพหรือเป็นอะไรขึ้นมาให้กลับมาที่ที่อารมณ์ที่เราใช้กำกับใจ ถ้าเราใช้พุโทโธก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธอย่าไปตามกับสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวจะไปอยู่บนเทาะไปอยู่บนต้นไม้เลยไม่รู้สึกตัวมีประสบการณ์เขาเล่าว่ามีเนนนั่งสมาธิแล้วก็พอนั่งหลับตาแล้วก็เกิดเห็นดวงไฟขึ้นมาดวงกลมๆ ก, ก, ก็ตามไปเลยพอลืมตายทีไปอยู่บนต้นไม้โดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> อันนั้นอย่าไปตามภาพต่างๆให้กลับมาที่ กรรมาฐานที่เราใช้กากับใจกลับมาที่พุโทโธพุโทโธหรือที่ลมหายใจแล้วใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้น<ม>อกจากนั้นมันจะหลอกเรา<ม>หลอกให้เราไปข้างนอก<ม>นั่งสมาธิต้องระวงังอย่าอย่านั่งแบบไม่มีอะไรกากับใจนั่งแล้วก็ไปดูสิ่งที่เห็นในใจแล้วก็ไปหลงไปเชื่อเนี่ยที่ทำให้คนเสียสติเป็นบ้าได้ก็เพราะนั่งแบบนี้กัน พอเห็นแล้วก็เอาไปคิดต่อว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ห ล, ลงตัวเองไปหลงว่าเป็นนู่นเป็นนี่ละ <Yes>, จริงๆมันเป็นเพียงแต่ภาพรลอนหลอกเราแล้วเราก็ไปแป้ภาพเหล่านั้นว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเองการปฏิบัติที่แท้จริงนี้เราไม่ต้องการเห็นภาพไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการเห็นความสงบความสงบนี่แหละเป็นของจริงของแท้วิปานก็คือความสงบนี่เอง กระจายนะ <Okay. S 1> พอแล้วนวันนี้นะ uh huh. เรียกว่าพอสมควรแก่เวลา uh huh. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ uh huh. ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ uh huh.